Thank you. คนเราสมัยนี้นะส่วนใหญ่จะมาวัดหรือเข้าหาศาสนาก็ต่อเมื่อมีความทุกข์นะทุกกายทุกใจนะเช่นอาจจะเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายตกงานนะมีหนี้สินหรือมาด้วยความกลัวว่าจะเล็นไม่จบนะบางคนก็มาเพราะ อ, อกหักนะหรือว่า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 กิจาการงานที่ทำจะไม่ประสบความสำเร็จนะก็มาวัดเพื่อหวังสิริมงคลช่วยส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จเนชะ่นมาให้พระรดน้ำมนตนะ์ผูกสายสินนะสรุปก็คือว่ามาวัดนะเพื่อความสบายใจนะสบายใจเพราะว่าวัดเนี่ยหรือศาสนาเนี่ยนะ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 ตอนพิสัยคนแก่คนชราก็เสียใจรู้สึกผิดนะว่าไม่ได้ทำอะไรให้กับท่านนะก็เลยมาวัดเพื่อทอยาทำสังฆทานบุตรบุญกุศลให้ท่านทำแล้วก็สบายใจนะอันนี้นะพูดอย่างสรุปก็คือคนส่วนใหญ่มาวัดนะเพื่อความสบายใจแล้วก็จนวนมาก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 แล้วก็ทุกใหม่แล้วก็ถ้าเข้าวัดเพื่อที่จะบํบาบัดปัดเป่าไอ้ความทุกเหล่านี้ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าความทุกข์มันหายไปจะมีความทุกข์ใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่าอันอย่ามาวัดเนี่ยเพียงแค่ความสบายใจนะถ้ามาวัดเนี่ยควรจะมุ่งหวังมากกว่า น, นั้นนะก็คือมาฝึกฝนจิตใจหรือว่า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 วันณะผ่องใสแค่ไหนในที่สุดมันก็ต้องเสื่อมนะร่างกายที่เคยผุดผ่องนะก็หม่นหมองที่เคยเต่งตึงก็หย่อนยานอย่าว่าแต่อะไรเลยนะหรือว่าอยาว่าแต่ใครเลยพุทธเจ้าเนี่ยพอพระองค์เนี่ยอายุนะเจ็ดสิบแปดสิบนี่ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายก็ปรากฏนะความชราก็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 แต่สุดท้ายก็ต้องตกอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงไม่จีิงรังเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุวันนสุขาภราที่เราแสวงหาปรารถนาอยากจะได้จากวัดอํานวยอวยให้มีอายุยืนยาวเนี่ย <c oughs> ก็ต้องเปิดใจนะยอมรับความจริงว่ามันไม่เที่ยง <c oughs> หลายคนที่มาวัดนะ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 รับการฝึกฝนแบบนี้แหละนะหรือว่าถ้าเราจะได้หวังประโยชน์จากศาสนาก็เนี่ยแหละมาเพื่อที่จะนะพร้อมรับการขย่าจิตขย่าวใจนะม้นมาชาวพูดจริงๆมันต้องมีความกล้านะกล้าที่จะให้ครูบาอาจารย์ขนาบแล้วขนาบอีกนะกล้าที่จะเปิดใจรับฟังสิ่งที่มันไม่ถูกอกถูกใจหรือไม่ถูกใจกิเลส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 ที่เป็นการตามใจกิเลสเนี่ยนะมันมีแต่ทาให้กิเลสมันใหญ่อ้วนมีกําลังมากขึ้นซึ่งจะสร้างความทุกให้กับเราแล้วก็กล้าที่จะสลัดทิ้งศาสนาหรือวัดเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เป็นสาระพักร้อนนะหลายคนมาวัดมาเข้าหาศาสนาเพื่อจะคล้ายๆท่านลองหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะอยู่ที่บ้านมันร้อนอยู่ที่ทำงานมันร้อนหรือว่าเจ็บป่วย